บันี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปอนุสติคือการตั้งสติตามระลึกในข้อต่อไปนั้นคือจากาอนุสติแปลว่าการตั้งสติตามระลึกถึงคุณธรรมคือการบริจาคของตนคําว่าการบริจาค ที่สามารถนํามาเป็นอนุสติและให้เกิดความสงบเป็นสมาธิได้นั้นท่านแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายแรกเรียกว่าทานฝ่ายที่สองเรียกว่าสังวิภากะทานคือเจตนาเป็นเครื่องบริจาคเครื่องเสียสละวัตถุพัสดุสิ่งของของตนด้วยจิตคิดอนุเคราะห์บั่งด้วยการมองเห็นโทษ แห่งความสนิความหวงแหนบ้างด้วยความสำนึกถึงคุณความดีของคนที่เราบริจาคบูชาเป็นต้นบ้างเมื่อบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้บริจาคแล้วจะทำหน้าที่ขจัดมัดเฉรจิตหรือมัดเชระความสนิให้ออกไปจากจกิตสันดานแห่งตน อันบนทินใจคือความสนิทนั้นโดยปกติแล้วมีลักษณะเหนียวมากยากที่จะดึงออกไปจากจิตได้เพราะมีโลภคือความโลภเป็นมูลให้บังเกิดขึ้นบุคคลจะมีความหวงมีความอะไรในสิ่งของต่างๆที่ใจไปผูกพันด้วยอำนาจอุปาทานว่าเป็นของของเรา กระารที่บุคคลสามารถให้เกิดกุศลในเจตนาและเสียสละสิ่งของเหล่านั้นออกไปจึงเป็นการขาจัดมัจฉิยะคือความสนิโดยตรงเป็นอุปการธรรมที่จะนำส่งให้เกิดบุญกุศลในชั้นอื่นๆสืบไปการให้ทานที่สามารถเป็นอนุสติได้จึงเริ่มมาจากจุดนี้ แต่ข้อนี้พึงเข้าใจว่าทานบริจากที่บุคคลให้ไป น, นั้นจำเป็นจะต้องมีปัญญาเป็นเครื่องประกอบพินิจพิจารณาและมีศรัทธาบังเกิดขึ้นภายในจิตใจเข้าสนับสนุกด้วยชั้นของการให้ทานท่านจึงจำแนกออกไว้หลายระดับด้วยกันจะกล่าวเฉพาะในส่วนที่เป็นรู ป, ปรวัตถุ ประการแรกคือของน้อยก็ให้กันไปตามน้อยเรียกว่าให้กันไปตามสติกำลังที่ตนสามารถจะให้ได้ในชั้นนี้ไม่ได้ใส่ใจถึงความประณีตของวัตถุหรือว่าไม่ประณีตก็ขึ้นอยู่กับสิ่งของที่เรามีอยู่ในขณะนั้นๆประการที่สองนั้นของซึ่งให้จะต้องได้มาโดยธรรมถูกต้องตามธรรม ให้ชอบโกงเบียดเบียนประทุสร้ายใครมาประการที่สจะต้องอาศัยศรัทธาซึ่งมีความผ่องใสเป็นลักษณะปรากฏขึ้นภายในจิตก่อนแล้วก็จะให้วัตถุสิ่งของเหล่านั้นไปด้วยกำลังแห่งศรัทธานั้นระดับที่สจํจำเป็นจะต้องอาศัยปัญญาเข้าประกอบปินิตพิจารณา คือการใคร่ครวนการพินิษพิจารณาเสียก่อนแล้วจึงให้ในชั้นนี้จะเห็นได้ว่ามีธรรมะสองประการที่เข้าเป็นองค์ประกอบในส่วนแห่งจิตใจคือศรัทธากับปัญญาซึ่งเป็นธรรมะที่จะต้องคู่ขนานไปในการประพฤติปฏิบัติธรรมะของบุคคลทั้งหลายแม้ในชั้นของอินทรีย์คือธรรมะที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตน ก็ทรงแสดงศรัทธาไว้เป็นเบื้องตน้นทรงแสดงปัญญาไว้เป็นข้อสุดท้ายธรรมะในพระพุทธศาสนาไม่ว่าองค์ธรรมจะวิจิตพิสดารอย่างไรก็ตามในที่ใดทรงแสดงศรัทธาไว้ในที่นั้นจะต้องแสดงปัญญากำกับไว้เสมอเพราะทำไมาอย่างนั้นแล้วโอกาสของศรัทธาที่มีความผ่องใสเกิดคิดนั้น อาจจะกลายเป็นความขุนมัวเศร้าหมองขึ้นก็ได้เพราะมีโมหะเข้าครอบงำอาจจะไปปักใจเชื่อฝังใจเชื่อในวัตถุในบุคคลในเรื่องราวต่างๆโดยขาดการวิเคราะห์การพินิ์พิจารณาให้สมเหตุสมผลดังนั้นในชั้นนี้จึงทรงแสดงมาตามลำดับ่าจะต้องเป็นการให้โดยศรัทธาและจะต้องไข้ครวญพิจารณาเสียก่อนแล้วจึงให้ ในชั้นนี้ข้อที่ควรพินิจารณาจึงมีอยู่สองประเด็นดใหญ่ๆด้วยกันโือประเด็นแรกเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของเราในขณะนั้นๆซึ่งหมายความว่ามีกุศลและเจตนาบังเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพียงไ ป, ประการที่สองเป็นเรื่องของปัจจัยที่จะนำมาเสียสละนำมาบริจาค ซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์กันเรียกว่าต้องตรวจสอบกำลังของศรัทธาและกำลังของโภคาในกรณีที่เรามีวัตถุจะเสียสละได้น้อยถึงแม้ศรัทธาจะมีมากเปี่ยมล้นอย่างไรก็ตามจะต้องให้ไปตามกำลังของวัตถุเท่านั้นจะให้ด้วยกำลังของศรัทธาไม่ได้เพราะผลของการให้ทานนั้น จะต้องออกมาเป็นความปีติปราโมทเป็นความสุขใจที่ท่านเรียกว่าอ布拉布拉เจตนาคือเจตนาที่หลังจากให้ไปแล้วจะต้องมีความผ่องใสมีความเบิกบานใจมีปีติปราโมทบางเกิดขึ้นถ้าโพคะมีน้อยศรัทธามีมากให้ไปตามกำลังศรัทธาโพคะก็บ่นในที่สุด ตนเองก็ต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ต้องอาศัยปัจจัยสี่เหล่านั้นเป็นเครื่องดำรงชีวิตก็จะประสบปัญหาในการดำรงชีวิตได้ย้อนคิดมาในตอนต้นว่าทำไมปัญหาเหล่านี้จึงเกิดขึ้นก็จะเห็นว่าเพราะตนบริจาคมากไปในที่สุดความทุกข์โทมนัสก็จะบังเกิดขึ้นนั่นไม่ใช่เป็นส่วนแห่งบุญแต่เป็นส่วนแห่งการขาดปัญญาเป็นหลักพินิพิจารณา การต่อไปนั้นคือต้องดูกำลังของศรัทธาด้วยแม้โภคะจะมีมากอย่างไรก็ตามแต่ถ้าศรัทธาเราน้อยต้องให้ไปตามกำลังศรัทธาเท่านั้นเพราะอะไรเพราะถ้าให้ไปตามกำลังของโภคะดแต่ศรัทธาบันอ่อนเช่นตั้งใจว่าจะให้สักร้อยบาทแต่ศรัทธาบันเอี่ยมล้นขึ้นมามากเกินไป เ, เห็นว่าโภคะมีมากเกินไป ล็อยให้เพิ่มขึ้นแต่กำมังกระทามันมีอยู่เพียงร้อยบาทเท่านั้นในที่สุดก็จะเสียดายส่วนที่เหลือไปพอตึกนึกมากข่าวก็เสียดายเลยเข้ามาอยู่ในหน่วยร้อยนั้นในที่สุดความเศร้าของก็บังเกิดขึ้นไม่เป็นฐานที่ตั้งแห่งจาระนุสติได้การให้ทานในชั้นนี้นอกจากจะพิจารณาในส่วนนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับตนโดยตรงแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงบุคคลที่เราเรียกว่าปฏิคาหกคือผู้รับด้วยว่าจะเป็นที่ตั้งแห่งทักกินเยทักกินาทานนั้นหรือไม่ซึ่งบาลีใช้คำว่าเป็นทักกินยะบุคคลหรือไม่ซึ่งหมายความว่าผู้ที่รับนั้นจะต้องมีพื้นฐานทางศีลธรรมที่มีความสงบประณีตมากกว่าสมควรถ้าหากว่า ตัวสอบดูองค์ประกอบเหล่านี้แล้วให้ไปทานนั้นก็จะเป็นฐานที่ตั้งแห่งจารคานุสติที่สูงขึ้นข้อต่อไปนั้นให้ตรวจสอบถึงสภาพจิตตการหนึ่งซึ่งท่านแสดงว่าการให้ทานกับการทำสงครามนั้นเสมอกันการทำสงครามก็คือเพื่อจะ ทำลายค่าศึกศัตรูของตนให้พินาศไปและยึดครองเอาดินแดนของตนกลับคืนมาหรือแม้แต่ดินแดนที่ดินแดนของผู้อื่นมาเป็นของตนเวลาจาคะเจตนาคือเจตนาที่จะบริจาคบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นถ้าหากว่าลองวิเคราะห์ตรวจสอบจิตในขณะนั้นๆบุคคลจะเห็นว่า เมื่อเจตนาที่จะเสียสละบังเกิดขึ้นภายในจิตครั้งหนึ่งความสนีความขวงความเสียดายในสิ่งที่เราจะให้นั้นจะเกิดขึ้นท่วมทับจิตใจอย่างรุนแรงที่พระโบราณอาจารย์แสดงไว้ว่าเมื่อจาระเจตนาบังเกิดขึ้นครั้งเดียวแต่ความสนีมันเกิดขึ้นซ้ำซ้อนเป็นพันพันครั้ง ถ้ากุศลและเจตนาที่จะบริจาคมีกาลังอ่อนมันก็ต้องแพ้แก่กำลังของความสนีความหวงเหล่นั้นเพราะความหวงหรือความสนีเป็นเชื้อสายมาจากโลภะดังกล่าวตามปกติก็จะครอบงำใจคนอยู่จะแสดงตัวออกมาภายนอกคือครอบงำจิตหรือไม่ก็ตามแต่ยังน้อยแก่ก็สงบอยู่ภายในจิตใจ ในขณะเดียวกันอกุศลและเจตนาต่างๆก็สงบอยู่ภายในใจด้วยกันมีลักษณะคล้ายๆกับกองทัพสองกองทัพมาเผชิญหน้ากันปัญหาสําคัญว่าใครมีกําลังมากกว่าฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่ามีความฉลาดกว่าก็ชนะไปว่าไหนมีกําลังน้อยกว่าก็แพ้ไปคนนี้เมื่อวิเคราะห์ตรวจสอบถึงกุศลและเจตนาที่บางเกิดขึ้นในแต่ละขณะแล้ว บุคคลจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีกุศลและเจตนาเป็นอันมากเกิดขึ้นแล้วตกไปคือเดินหน้าต่อไปไม่ได้ทําต่อไปไม่ได้เพราะอากุศลมันมีมากกว่าเข้าไปทําลายกุศลหรื น, นั้นเสียการต่อสู้ภายในจิตใจนี้จะมีอยู่ทุกขั้นตอนแห่งการปฏิบัติธรรมไม่ว่านในชั้นของศีลในชั้นของสมาธิคือการทําใจให้สงบก็ตาม ข้อนี้พึงสังเกตว่าในชั้นของสมาธินั้นบางครั้งบางคราวเราก็ดูว่ามีความสงบเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็น้อมน้อมที่จะย่างลงแน่แน่อยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานแต่เนื่องจากกิเลสแกก็มีอยู่มากบางกันภายในใจแกก็ขึ้นมาเต็มที่มาท่วมทับอารมณ์ดอกนั้นกระตุกจิตกลับมาสู่ความพุ่งสร้างเหมือนเดิม บางครั้งบางคราวต้องต่อสู้กันกับอารมณ์เหล่านี้ความสงบก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ในท่านดื่นๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะงั้นการทำสงครามกาันภายในจิตใ จ, จนั้นตราบใดที่บุคคลยังไม่ทาให้กิเลสอยู่ในอานาจของตนแล้วโอกาสที่จะพ่ายแพ้กลับกลายก็มีอยู่ได้เสมอฉะนั้นธรรมะระดับโลกิยะ คือจากฐานเป็นต้นไปถึงอรูปฌปานโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงกลับกลายจึงมีได้ทุกขณะซึ่งเป็นข้อที่ผู้ปฏิบัติจะต้องะระลึกรู้และอยู่ด้วยความไม่ประมาทในอารมณ์ดอกนั้นในชั้นของฐานที่เป็นรู ป, ปรวัตถุซึ่งเป็นฐานที่ตั้งแห่งจารานุสติที่มั่นคงนั้น องค์ประกอบที่สำคัญใหญ่ๆจึงมีอยู่สามองค์องค์แรกก็คือตัวปัจจัยที่นำมาบริจาคจะต้องเป็นการได้มาในทางที่ชอบธรรมวัตถุจะประนีตหรือไม่ประนีตนั้นไม่ค่อยจะสำคัญแต่ข้อสำคัญอยู่เจอยู่ที่เจตนาต้องประนีตแต่ถ้าตัววัตถุประนีตด้วยก็จะทำให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น พราประเภทของประเภทของสิ่งที่เรานำบามาบริจาคนั้นพระพุทธเจ้าทรงจําแนกเอาไว้เป็นสามประเภทเฉพาะในส่วนที่เป็นรูปวัตถุเรียกว่าทาตสถานคือให้ของที่ต่ํากว่าเราบริโภคสหายทานให้ของที่เสมอกับเราบริโภคสามีทานให้ของที่ประณีตกว่าที่เราบริโภค แต่ทั้งสามชั้นนั้นจะต้องเป็นการได้มาในทางที่ชอบธรรมประการที่สองเจตนาคือความจงใจที่จะให้จะต้องเกิดด้วยกุศลและเจตนาดังกล่าวคือมีความสำนึกเห็นคุณค่าของทานว่าการให้ทานนี้เป็นการดีแล้วให้จึงจะเป็นฐานแห่งจารคานุสติได้เป็นอย่างดี เพราะถระท้าให้ทานยังอิงอาศัยวัตถุธรรมยังอิงอาศัยบุคคลยังอิงอาศัยการยกย่องการให้เกียรติการให้รางวัลจากบุคคลอื่นแล้วโอกาสที่จะให้เกิดความส ง, งบนั้นยากทั้งนี้เป็นเพราะอะไรพระต่าหากว่าได้ตามที่ต้องการปริมาณของความโลภก็เพิ่มขึ้นอีกเป็นการเปลี่ยนความโลภในวัตถุเป็นการโลภชื่อเสียงการยกย่องเกียรติคุณ ซึ่งก็คือความโลภเหมือนกันแล้วถ้าหากก็ไม่ได้ตามที่เราต้องการแทนที่จะลดกิเลสกลับเพิ่มกิเลสสายปฏิฆะคือไม่พอใจกิเลสสายโทสะก็จะเจริญขึ้นภายในจิตแานที่จะเป็นฐานของจาคานุสติที่มั่นคงจึงต้องเกิดด้วยความสํานึกดังกล่าวว่าการให้ทานนี้เป็นการดีแล้วให้ดีตรงไหนดีตรงที่เคยจัด มัจฉริยะคือความสนิทออกไปจากจิตใจและอาจจะพิจารณาในชั้นที่ลดหลั่นลงมาเช่นผู้ให้ย่อมผูกมิตรีไปได้คนให้ทานเป็นที่รักของคนเป็นอันมากและคนเป็นอันมากย่อมควบหาสมาคมบุคคล น, นั้นคือมีความรู้สึกในตัวสิ่งที่เรากระทำส่วนผลจะเกิดขึ้นนั้น ก็เป็นเรื่องของผลเมื่อบุคคลประกอบเหตุเต็มตามสติกำลังแล้วผลก็จะบังเกิดขึ้นเองโดยไม่จำเป็นจะต้องไปขว่คว้าอะไรมีกระสาบใดที่ยังขว่คว้าอยู่ความสงบจะเกิดขึ้นแก่จิตได้ยากเนื่องจากอาการขวยคว้ า, าทางจิตเป็นลักษณะของนิวรณข้อที่หนึ่งที่เรียกว่ากามชันดังนั้นเจตนาจึงต้องบริสุทธิ์ด้วยการสาม คือก่อนที่จะให้จะต้องเกิดกุศลและเจตนาดังกล่าวขึ้นมาปรารถนาที่จะให้ในขณะให้ก็ยังมีความชื่นชมจินดีไม่รู้สึกเสียดายและหลังจากให้ไปแล้วซึ่งถือว่าเป็นตัวสำคัญมากเพราะเป็นตัวผลที่แท้จริงและเป็นตัวบุญอย่างที่สงแสดงไว้ว่า ก็เธอทั้งหลายจะได้กลัวบุญเลยเพราะคําว่าบุญบุญนี้เป็นชื่อของความสุขดังนี้หลังจากให้ไปแล้วจะต้องมีความปีติปราโมชความเอื้อิิมเป็นผลไม่ปล่อยให้ความขวงความเสีย ด, ดายเขาครอบงาใจเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วจะทําให้เกิดเป็นมลทินขึ้นภายในจิตใจโอกาสที่จะดึงมาเป็นอนุสติก็ยากในช่านองการให้นี้ จำเป็นที่จะต้องมีการกระทำบ่อยๆซึ่งบางครั้งอาจจะไม่มีรู ป, ปรวัตถุให้จะอาจจะให้ในฐานที่เป็นเครื่องขจัดความอาฆาตพยาบาทคือให้อภัยโดยให้มีใจประกอบด้วยขันติความอดทนให้อภัยในโทษที่เรื่องร่วงเกินของบุคคลอื่นเป็นต้นเหล่านี้วนแล้วแต่เป็นฐานเป็นอุปการะแก่จาขานุสติ ส่วนในชั้นของการที่เรียกว่าสังวิภาะ ค, คือการแบ่งปันกันนั้นเป็นการดําเนินชีวิตในลักษณะจิตอันประกอบด้วยความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่สังวิภาคะจึงเป็นการแบ่งปันสิ่งที่เรามีอยู่เป็นเรื่องของความการเฉลี่ยความสุขให้แก่กันและกันเรามีอยู่มีอะไรอยู่เราก็เฉลี่ยสุขกันมีขนมก็แบ่งกันกิน มีอะไรก็แบ่งกันใช้เป็นลักษณะของอัธยาศัยเมตรีมากกว่าที่จะเป็นการให้ทานในที่กล่าวมาแล้วแต่ทั้งสองประการนี้สามารถที่จะนำมาเป็นอนุสติได้คือนำมาเป็นจาขานุสติได้การจเจริญกรรมาฐานประเภทอนุสติจึงเป็นการลึกย้อนขึ้นไปถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้ว แม้พุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติศีลานุสติที่กล่าวมาโดยลำดัก็เป็นการระลึกถึงเรื่องที่เก็บสะสมไว้ภายในใจทั้งหมดและนำมาระลึกดูถึงการให้ของตนในการที่ผ่านมา ก, ก็คล้ายๆกับว่าบุคคลไปสร้างความดีอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น แล้วนึกย้อนขึ้นไปพิจารณาถึงการกระทำความดีเหล่านั้นเมื่อระลึกกลับไปกลับมามองเห็นความดีชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผลที่ปรากฏแก่จิตของตนก็จะเกิดความปีติความเอิบอิ่มความประโมทขึ้นภายใ น, ในใ จ, ใจิตใจแล้วในที่สุดก็จะสงบใจลงสู่ทางแห่งสมาธิได้ ลักษณะของจาคานุสติก็เป็นเช่นเดียวกันคือการย้อนขึ้นไปพินิษพิจารณาถึงการกระทำในอดีตของต น, นซึ่งอาจจะเริ่มเอาการสละเมื่อเช้าก็ได้แล้วก็พิจารณาทบทวนให้เกิดความสงบอยู่กับเรื่องเหล่านั้นการพิจารณาในลักษณะนี้ทางเดินของจิตคือการวิ่งไปของจิต มีลักษณะคล้ายๆกับการตามลมหายใจเข้าออกแต่ว่าการเจริญจากณาสติเป็นการตามกิริยาการกระทำเ่านั้นคือเอากรรมมาเป็นอารมณ์เอาเจตนาที่บริจาคนั้นมาเป็นอารมณ์และนึกย้อนขึ้นไปพิจารณาสอบสวนดูการกระทำต่างๆข้างตนและจะมองเห็นเรื่องความบริสุทธิ์หมดจดเ่านั้น ว, ว่าการกระทานั้นไม่มีมนทินคือความสนิทเขาครอบงาจริงในขณะนั้นนั้นและแม้แต่ในขณะที่กำลังเจริญจากคานรติจุเองก็ยังไม่เกิดเสาาียดายยังไม่เกิดอะไรในสิ่งที่เราได้สละไปเมื่อพิจารณากลับไปกลับมาอยู่ในจุดนั้นหรือถ้าหากว่าการบริจาคของตนได้เก็บสะสมมานาน มองเห็นชัดเจนว่าแต่ละครั้งที่มีการบริจาคนั้นสามารถขจัดมนตินคือความสนิทออกไปจากใจได้มีความสุขเกิดขึ้นเป็นผลแก่จิตใจในแต่ละครั้งก็อจะมองได้ทุกครั้งทุกขณะเมื่อมองไปมองมาจะมองเห็นสาระแก่นสารในด้านต่างๆยืดยาวออกไปถึงอดีตการที่นานไกล แต่ละอย่างก็พร้อมที่จะเป็นฐานแห่งปีติคือความเอิบอิ่มขึ้นภายในจิตเมื่อปีติบังเกิดความปราโมชก็บังเกิดเป็นความเอิบอิ่มที่ปรากฏทั้งกายและจิตของบุคคลผู้นัน้นและในที่สุดตัวปัญญาก็ปรากฏขึ้นสงบปีติเหล่านั้นลงไปใจก็เริ่มโน้มน้อมเข้าไปหาความสงบ ตามลำดับซึ่งในช่วงนี้อาจจะพิจารณาดูถึงการเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้ศึกษาได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสดแสดงมาแล้วและมองเห็นสาระแก่นสารแห่งชีวิตสูงขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นฐานของปีติและประโมททั้งนั้น บางครั้งจิตอาจจะกระหวดไปถึงอานิสงส์ต่างๆที่ทรงแสดงไว้เกี่ยวกับการให้ทานในลักษณะนั้นๆเมื่อปีติสงบลงไปใจก็จะโน้มโน้มอ ม, มเข้าไปหาตัวสมาธิต่อแต่นั้นจิตก็จะเดินเข้าไปเช่นเดียวกับที่เจริญในอนุสติข้อต้นๆมีพุทธานุสติเป็นต้นแต่พึงเข้าใจว่า เรื่องของจาคะเป็นเรื่องของกุศลที่มีความประนีตเวลาจะนำมาคิดพินิจพิจารณาจริงๆการจะเห็นได้ชัดเจนจึงเห็นได้ยากไ ม, ไม่ได้เหมือนกับสิ่งที่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นรูปวัตถุอย่างเดีนซึ่งบุคคลสามารถเห็นได้ง่ายการพิจารณาให้เกิดจาคะ ตัวสติที่เรียกว่าทำหน้าที่ระลึกถึงเรื่องที่ทำคำที่พูดสิ่งที่คิดแม้นานได้จึงต้องเป็นไปได้ชัดคือเกิดขึ้นฉับพลันรวดเร็วและระลึกย้อนไปได้ไกลตัวสัมปชัญญะคือความรู้ก็จะรู้ตามทันได้และตัวความเพียรซึ่งที่เรียกว่าตะปะ ห, ห ร, รือเผากิเลสในเราตอนก็จะต้องเกิดขึ้นสัมพันธ์กัน แต่ยงไงก็ตามในชั้นของอนุสติเหล่านี้ที่กล่าวมาทั้งสีข้อนั้นทั้งห้าข้อนั้นเป็นอนุสติที่ละเอียดเพราะเป็นนามธรรมล้วนผู้ปฏิบัติเจริญไปจึงไม่ถึงอัปปนาคือไม่ถึงกับอัปปนาชานแต่จะเป็นเพียงอุปจาระคือสงบที่ใกล้ความแน่วแน่ลงไป ถึงอย่างนั้นก็พร้อมที่จะเป็นฐานเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ใช้ปัญญาพินิษพิจารณาได้อมนาจของปีติอำนาจของปราโมทอานาจของปัสสติคือความสงบกาย ส, สงบปัจจัจนถึงสงบใจแล้วเดินมาจนถึงสมาธินั้นล้วนแล้วแต่เป็นอุปการธรรมที่จะนำให้เกิดปัญญายกนามารูปขึ้นพินิษพิจารณา ให้เห็นความจริงตามพระสวยหลก์ก็เข้าไปในคลองแห่งวิปัสนาได้เช่นเดียวกันจากานุสติจึงกลายเป็นอนุสติที่สะดวกต่อการเจริญกรรมฐานอีกประการหนึ่งถ้าหากว่าบุคคลได้เก็บได้สะสม ก, กุศลบริจากส่วนนี้เอาไว้มากๆ ก, ก็จะมีกำลังใจเข้มแข็งพอที่จะไขจัด ความหวงความเสียดายความสนิทได้เด็ดขาดในขณะนั้นๆและพร้อมที่จะเป็นฐานแห่งความสงบโดยนัยะดังที่กล่าวแล้วจากานุสติจึงถือว่าเป็นอนุสติอีกประการหนึ่งในอนุสติสิบประการที่พระผุ้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่าเป็นอุบายวิธีที่จะนำจิตใจของผู้ปฏิบัติให้เข้าสู่ความสงบ ตามขั้นตอนแห่งสมาธิโดยนัยะที่กล่าบมาแล้วตามลำดับต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป